ทรงอนุญาตให้สมมุตติจีวราวิปวาดลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าเราอนุญาตให้สมมุิเพื่อไม่เป็นการอยู่ปราศจากไตจีวรเพื่อภิกษุผู้เป็นไข้ภิกษุทั้งหลายทรงพึงให้สมมุิอย่างนี้